พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2บสองวัคที่ห้าชื่อจุลยามะกกวัคคือวัคที่มีสูตรคู่ขนาดเล็กมีสิบสูตรพระสูตรที่ส1สเอดสาเลยกัสสูตรสูตรว่าด้วยปรามเครือหาบดีชาวบ้านสาละพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลเสด็จแวะพักณหมู่บ้านปรามชื่อสาละ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 ซึ่งเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกทรงขยายความแห่งคำว่าประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่ำเสมอโดยแยกออกเป็นทางกายสามทางวาจาสี่ทางใจสามสุจริตสามซึ่งแจกออกเป็นสิบอย่างเรียกกุศ ล, ลกรรมบทหรือทางแห่งกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ทรงแสดงว่าผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่ำเสมอหวังจะเข้าถึงฐานะใดๆ ไ, ได้แก่กษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลขรรหาบดีมหาศาลเทพชั้นจตุมมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปารนิมิตะวะสวัตีเทพพวกอาภะมีแสงสว่างพวกปริตภะพวกอัปปมานาภะ พวกปริตาพะพวกอภัสระพวกปริฏตสุภระอปมานสุภะพวกสุกินหกะพวกเวหภละพวกอวิหะพวกอตตปะพวกสุทัสสะพวกสุทัสสีพวกอากานิทกะพวกอากาศนันจายตนะพวกวิญญาณันจายตนะพวกอากินจัญญายตนะพวกเนวสัญญานาสัญญายตนะ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 ในพระสูตรนี้มีปัญหาเรื่องศั์อยู่หลายแห่ง 1. คําคำว่าสุจริตทุจริตกุศลกรรมบทอากุศลกรรมบทแจกออกเป็นอะไรบ้างควรดูหนังสือนวโกวาด 2. คํคำว่ามหาศาลที่นำมาต่อท้ายกษัตริย์พรามขรหบดีความหมายว่ามีรัพ์มาก 3. เทพชั้นจตุ ม, มหาราช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 คือชั้นรูปประพรมพรมมีรูปมีสิบหชั้นคือหนึ่งพรมมะาปริสัชชะสองพรมมปุโรหิต 3. มหาพรมสพวกนี้เป็นพวกได้ฌานที่หนึ่งริตตาภะหอัปปมานาพระหอภัสรระสามพวกนี้เป็นพวกได้ฌ า, า, า, า, า, านที่สองและที่สามเจริตตสุภ แปดอปมานสุภะเกสุภกินนะหะสามพวกนี้เป็นพวกได้ฌานที่สี่สิเวหพะละพวกนี้บำเพ็ญฌานที่ห้าฌานนี้แยกออกไปจากฌานที่สี่จัดตามวิธีของอภิธรรมสิบออสัญญีสัตว์เป็นพรหมที่มาจากพวกเดรรทีที่บำเพ็ญฌานที่ห้านั่นแหละแต่นายหรือรังเกียจจิตใจ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 ตรัสตอบปัญหาของพรามรหมณ์คฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาที่มาถามเช่นเดียวกับสาเลยกษสูตรจึงตรัสตอบเช่นเดียวกับสาเลยกษสูตรผลของการแสดงธรรมพรามคฤหบดีพวกนั้นเลื่อมใสพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต